โยนิโสนาสิการกุศลอากุศลฝ่ายนครสามีผู้ครอบครองจิตนคร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 สมาธินิมิตต่างๆที่คู่บารมีนำมาพร้อมกับโยนิโสมนัิการจากพุทธศัพนักล้วนหน้าดูหน้าฟังเมื่อดูและฟังแล้วจใจสงบผ่องแผ้วมีสุขอยู่ห่างไกลจากพระองค์มากมายได้รับฟังเพียงบางสิ่งที่ประทานมายังให้เกิดความสุขถึงเพียงนี้หากได้ไปเฝ้าใกล้ชิดหรือเสด็จมาโปรดในที่เฉพาะหน้าจะได้รับความสุข สักเพียงไหนเมื่อคิดไปดังนี้ก็พอดีเหลือไปเห็นคู่อสาาวะแอบโผล่หน้ามาดูแวบหนึ่งจิตใจก็แวบออกไปถึงความสุขสนุกสนานต่างๆที่สมุรไทยนำมาพร้อมกับสมุรทั้งปวงสมุรไทยก็ได้สร้างสิ่งบันเทิงสุขให้เป็นอันมากเป็นต้นว่าโรงหนังโรงละครได้ส่งอารมณ์เข้ามาแสดงเป็นภาพต่างๆอย่างภาพยนตร์ มีคนภาคชื่อว่าอายโยนิโสมนัสิกานแสดงภาคประกอบไม่แพ้ผู้แสดงภาพยนต์ของคู่บรารมีเรียกร้องเสียงหัวเราะเฮฮาได้มากมายจากประชาชนทำให้บ้านเมืองสนุกสนานไม่เงียบเหงาส่วนวิธีของคู่บรารมีรู้สึกว่างเยียบสงบไม่เอะอะทาให้บ้านเมืองเป็นเมืองเงียบสงบสงัดจึงเกิดมีความลังเลสงสัยขึ้นว่า จะเลือกเอาข้างไหนข้างหนึ่งสนุกแต่ไม่สบายอีกข้างหนึ่งสงบแต่ไม่สนุกทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะมียิ่งหย่อนแตกต่างกันทำนองนี้จะอย่างไรกันดีครั้นคู่บารมีสังเกตเห็นนครสามีเกิดความลังเลดังนั้นก็รีบแสดงภาพเปรียบเทียบระหว่างบุคคลสองฝ่ายคือกุศลกับอกุศลคู่หนึ่ง สิ่งที่มีโทษกับสิ่งไม่มีโทษคู่หนึ่งสิ่งที่เลวกับสิ่งที่พระนีคคู่หนึ่งสิ่งที่ดำกับสิ่งที่ขาวคู่หนึ่งเปรียบเทียบกันเลโยนิโสมนัสิการก็ได้แสดงภาคอธิบายชี้แจงโดยชัดเจนว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคือตัวอากุศลอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคือกุศลเป็นต้นนครสามีมองเห็นรู้จักหน้าตาของอกุศลเป็นต้น ก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองทันทีว่าพักพวกสมุทรไทยล้วนเป็นตัวอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่เลวและดำส่วนพักพวกคู่ปรมีล้วนเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นสิ่งที่ประนีตคือดีและขาวสะอาดจึงมีจิตใจสิ้นสงสัยว่าฝ่ายไหนจะดีฝ่ายไหนจะเลวเกิดศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระบรมครูยิ่งขึ้น ภาพเปรียบเทียบกับโยนิโสมนสิการผู้แสดงภาคนี้เป็นเหตุให้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่นอนหนีห่างออกไปทันทีอุปมาหข้อวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่นอนหนีห่างออกไปเช่นเดียวกับที่กามฉันความยินดีพอใจในกามพยาบาทความพยาบาทมุ่งร้ายทีนมิทะ ความง่วงงุนเคลือบเคลิม้มและอุทะจักกุกุ จ, จักความฟุ้งซ่านรำคาญได้ถอยห่างออกไปก่อนแล้วเมื่อนิวรณทั้ง5้าคือการมชฉันพยาบาทถีนามิทะอุทะจักกุกุ จ, จักวิจิกิจฉาถอยห่างออกไปนคะรสามีก็มีหัตถปราศ จ, จากความยินดีในสิ่งล่อใจให้ยินดีทั้งหลายมีจิตไม่มุ่งร้าย แต่มีเอนดูปรารถนาเกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวงไม่มีความง่วงเหงามีใจสว่างประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะทั้งไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบในภายในหมดความสงสัยลังเลแต่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งปวงฝ่ายคู่บา ร, รมีเห็นเป็นต่อจึงฉายภาพเปรียบเทียบเพื่อฟอกจิตของนครสามีให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นคือหนึ่ง เป็นภาพชายผู้หนึ่งกู้หนี้เขามาประกอบการงานการงานของเขาสำเร็จผลเป็นอย่างดีจึงใช้หนี้เก่าให้หมดสิ้นแล้วก็ยังเหลือเพื่อบารุงเลี้ยงครอบครัวเขารู้สึกตัวว่าหมดหนี้สินยังมีทรัพย์เหลือสำหรับจับจ่ายใช้สอยก็ได้ความอันเทิงใจความสมานณ์ 2. เป็นภาพชายผู้หนึ่งป่วยหนัก มีทุกขเวทนากล้าบริโภคไม่ได้อ่อนระหงรุยแรงจนจะสิ้นกำลังกายแต่ได้หายป่วยในเวลาต่อมากลับบริโภคอาหารได้กำลังกายกลับคืนมาเขานึกถึงว่าเมื่อก่อนนี้ป่วยหนักบัดนี้หายป่วยบริโภคได้กลับมีกำลังเป็นปกติก็ได้ความมัตเทิงใจความสมนัติ เป็นภาพบุรุษหนึ่งถูกจองจำในเรือนจำต่อมาพ้นจากเรือนจำโดยสวัสดีไม่มีภัยทั้งโคพคทซั์อะไรก็ไม่เสื่อมเสียเขานึกถึงเรื่องที่ถูกจองจำเรื่อยมาจนพ้นจากเรือนจำโดยสวัสดีไม่มีภัยทั้งไม่ขัดสนจนรั์ก็ได้ความบันเทิงใจความสมนัส 4. เป็นภาพบุรุษผู้หนึ่งเป็นทาตของเขา ตนไม่เป็นใหญ่เป็นนายของตนต้องมีคนอื่นเป็นใหญ่เป็นนายจะไปข้างไหนตามปรารถนาต้องการหาได้ไหมต่อมาพ้นจากความเป็นทาตกลับเป็นใหญ่แก่ตนไม่ต้องมีคนอื่นเป็นนายไปไหนไหนได้ตามปรารถนาเขาคิดขึ้นมาว่าเมื่อก่อนนี้ต้องเป็นทาตไม่เป็นอิสระแก่ตนปัจนี้พ้นจากความเป็นทาต เป็นอิสระแก่ตนขึ้นแล้วก็ได้ความบันเทิงใจความสมนัต 5. เป็นภาพบุุษผู้หนึ่งเป็นคนมีทรัพย์เดินทางไกลที่กันดาลได้เดินทางผ่านไปโดยสวัสดีไม่มีภยัยทรัพย์ก็ไม่เสียหายเขาระลึกถึงเรื่องการเดินทางไกลที่กันดาลซึ่งผ่านพ้นออกไปได้โดยสวัสดีไม่มีภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินก็ได้ความบันเทิงใจ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 เมรุนครสามีมองเห็นภาพดังกล่าวแล้วก็มองเห็นชัดเจนว่าจิตใจที่กลุ่มกลัดอยู่ด้วยนิวรณ์ทั้งห้ามีการมาฉันเป็นต้นก็เหมือนอย่างตอนเป็นหนี้เขาเป็นต้นครั้นสงบเสียได้อย่างนี้ก็คล้ายกับพ้นหนี้พ้นโทษหายโรคเป็นไทยแก่ตนผ่านทางกันดา n ถึงแดนเกษมได้เป็นสุขยิ่งนักเกิดปีติปราโมท คู่บรมีเห็นว่าสมควรจะปล่อยให้นครสามีพิจารณาทบทวนและพักสงบอยู่ตามลำพังจึงหยุดแสดงภาพต่อไปและโยนิโสมนศสิการก็หยุดภาคปล่อยให้นครสามีอยู่ตามลำพังฝ่ายนครสามีก็ได้สงบเพ่งดูจิตที่สงบและความสุขอันประนีต ท, ที่เกิดจากความสงบเกิดความรู้ปุดขึ้นเองว่า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 พระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระที่พึ่งตลอดชีวิตได้เกิดปีติปราโมททราบซ่านทั้งกายและใจได้สงบอยู่กับความสุขที่ประนีตอันไม่เคยได้พบมานี้เป็นเวลานานแล้วก็เข้าที่พักหลับอย่างสนิทแต่ก่อนเคยปรึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆกับมโนโบนเตียงพระมไม่เป็นอันหลับอันนอนจริงๆ มโนเสนอแฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้ต่างๆเพราะชอบเรียกมโนมาเสนอเรื่องต่างๆในเวลาที่ควรจะพักผ่อนมโนก็พลอยไม่ได้พักไปด้วยแต่ครั้งนี้หาได้เรียกมโนเข้ามาไหมมโนก็พลอยได้พักผ่อนเป็นสุขไปด้วยฝ่ายสมุทัยที่คอยเฝ้าสังเกตการอยู่ได้เห็นรูปการแปลเปลี่ยนไปในทางเป็นประโยชน์แก่คู่ปรปับดังนั้น เสียใจนั่งซบเ้าอยู่ที่ทางสีแพร่งของจิตตนครครูอสะวะเที่ยวตามหาพบสมุไทยนั่งเศร้าเสียใจอยู่ดังนั้นก็ปอบโยนว่าทําไมจึงหลบมานั่งเสียใจอยู่ดังนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรความจริงครูอสะวะกับสมุไทยได้ช่วยกันสะสมกําลังซ่อนอยู่อีกมากคู่บารมีพึ่งจะนําพักพ่วกเข้ามาคิดว่ากําลังไม่กล้าแข่งนัก แม้จะเข้าถึงจิตใจของนครสามีจนถึงเปลี่ยนใจของนครสามีให้หันไปนับถือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมครูของคู่บา ร, รมีกับพักพวกได้แต่ฝ่ายเราก็มีอุบายและเหตุผลที่จะไปพูดหวานล้อมชักนำใจของนครสามีให้กลับมาอีกถ้ามานั่งเศร้าเสียดังนี้ก็เท่ากับยอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นตัวศัตรูเหมือนอย่างที่เขาว่า ม้าได้กลิ่นเสือก็หมดเรี่ยวแรงลงนอนรอให้เถือเสร็จแล้วฉะนั้นจงลุกขึ้นมาหารือกันถึงวิธีที่จะต่อสู้แก้ไขสถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่นี้สมุทรไทยฟังคําเตือนจึงได้ความคิดจึงได้หารือกับคู่อสวะถึงวิธีที่จะต่อสู้ต่อไปจากที่กล่าวมานี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่พอจะทําให้เห็นได้ว่าอันความไม่ดีนั้นมีหลายแบบหลายอย่าง ทั้งอย่างเปิดเผยและซ่อนเร้นคือทั้งอย่างแสดงตัวและทั้งอย่างปลอมแปลงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบให้ดีจึงจะสามารถพาใจให้พ้นจากภัยของความชั่วได้พอสมควรการมาบริหารจิตก็คือการมาพยายามอบรมปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงชั่วให้เห็นว่าชั่วให้เห็นว่าควรละดีให้เห็นว่าดีให้เห็นว่าควรอบรมเพิ่มพูน ทั้งนี้เพื่อให้ห่างจากความทุกข์ความไม่สงบได้มีความสุขความสงบตามควรแก่ความปฏิบัติกนวิธีของสมุทไทยข้อที่สมุทไทยกับขั่วสวะได้สั่งสมกำลังมาช้านานแบบที่เรียกว่าซ่องสุมนั้นเป็นความจริงกำลังของสมุทไทยมีแทรกแซงอยู่ทุกแห่งตั้งแต่ชั้นในจนถึงชั้นนอกของจิตตนคร ทั้งยังได้จัดกำลังคุมชาวจิตนครไว้ทุกคนดังที่ได้เล่าถึงหน้าที่ของกิเลสพันหตั้นหาร้อยแมาแล้วคู่อสะวะเองก็มีกำลังซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกซึง้งทั้งยังมีสหายเช่นอนุสัยเป็นต้นซึ่งยังหาได้แสดงกำลังอำนาจแต่ประการใดไม่เพราะยังไม่ถึงกราวที่จะออกแสดงเองแม้เมื่อคู่บา ร, รมีนานิมิตต่าง พร้อมด้วยโยนิโสมนัสิการเข้าไปแสดงมีผลถึงกับเปลี่ยนฮะไทยนครสามีให้เหลื่อมใสศรัทธาในองค์พระบรมครูเป็นอย่างมากครูอสวะก็ยังเห็นว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะออกต่อต้านด้วยตนเองเพียงแต่ส่งมือชั้นรองไปต่อต้านก็จะเพียงพอหลังจากที่ทั้งสองคือครูอสวากับสมุไทยในหารืออย่างรอบครอบแล้วก็ได้ดำเนินกลวิธีต่อสู้ทันที ฝ่ายนครสามีครั้นตื่นขึ้นด้วยความสุขสดชื่นเพราะได้หลับอย่างสนิทลืมตาขึ้นก็ได้มองเห็นว่าได้มีผู้มาเฝ้าอยู่สามคนจึงถามว่าทั้งสาเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนทั้งสามตอบรายงานชื่อทีละคนว่าชื่อสุขคนหนึ่งชื่อสดคนหนึ่งชื่อชื่นคนหนึ่งเป็นผู้ที่จงรักภักดี นักขอสามีเป็นที่สุดได้เคยมารับใช้เป็นครั้งคราวแต่มักจะต้องอยู่ห่างๆไม่อาจที่จะแทรกใครๆเข้ามาได้แต่ครั้งนี้เป็นความปลอดใครๆที่ห้อมร้อมจึงได้เข้ามาประจําบํารุงบําเรือนครสามีเมื่อได้ฟังดังนั้นนครสามีก็เริ่มคิดสงสัยว่าเรากําลังมีความสุขสดชื่นเป็นอย่างยิ่งหรือทั้งสามคนนี้ จะเป็นผู้ให้ความสุขสดชื่นนี้แก่เราเพราะสามชื่อตรงกับสิ่งที่เรากําลังได้รับอยู่หน้าขอบใจเขาที่มีความรักในเราได้ให้สิ่งที่เราชอบใจเป็นอย่างยิ่งทั้งสามคนเห็นนครสามีทําท่าจะโปรดปรานจึงกล่าวต่อไปว่ายังไม่ได้รายงานอีกปัญหาหนึ่งว่ามาจากไหนจึงจะขอรายงานว่าข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าสุข มาจากตำบล น, นิระโรคคือไม่มีโรคข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าสดมาจากตำบล น, นิระชระคือไม่แก่ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าชื่นมาจากตำบล น, นิระมระคือไม่ตายทั้งสามตำบลมีอยู่ในจิตนครนี้เองข้าพเจ้าทั้งสมไม่ใช่เพียงแต่ชื่ออย่างนี้เท่านั้น ได้มีสุขสดชื่นจริงๆด้วยเพราะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใครๆที่อยู่ในตาบลทั้งสามนี้ล้วนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งนั้นเมื่อไม่แก่จึงสดอยู่เสมอเมื่อไม่เจ็บจึงสุขอยู่เสมอเมื่อไม่ตายจึงชื่นอยู่เสมอและเมื่อเข้าไปเจ้าทั้ง3ไปอยู่กับผู้ใดก็ทำให้ผู้นั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มีสุขสดชื่นไปด้วยนครสามีถามว่าก็เมื่อทั้งสามาอยู่กับนครสามีดังนี้นครสามีก็เป็นผู้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือทั้งสก็กล่าวรับรองทําให้นครสามีเกิดความปีติยินดีว่าช่างมีโชคนักหนาที่ได้พบคณะบุคคลผู้นําโชคมาให้ถึงสองคณะติดต่อกันฝ่ายคู่อสวะกับสมุทยัย ผู้ที่แอบสังเกตเหตุการณ์อยู่ได้เห็นดังนั้นก็ยินดีร่าเริงสมุทรไทยถึงกับหัวเราะร่าด้วยความยินดีพระบุคคลทั้งสามนั้นก็คือสมุนอีกสามคนของสมุทรไทยมีชื่อว่าโยพนัมะทะความเมาในวัยหนุ่มสาวหนึ่งอารโรขยะมะทะความเมาในความไม่มีโรคหนึ่งชีวิตะมะทะความเมาในชีวิตหนึ่ง ซึ่งแอบแฝงเข้าไปในความสุขสดชื่นนี้เองบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายแม้รำลึกไว้เสมอว่าเราจะไม่ล่วงความแก่ไปได้เราจะไม่ล่วงความเจ็บไปได้เราจะไม่ล่วงความตายไปได้ก็จกไม่ตายอยู่ในอำนาจของฝ่ายคู่อาสวะกับสมุทยซึ่งจะนำไปสู่ความต้องวนเวียนพบทุกข์อยู่ไม่สั่งสิน้น เห็นโซ่เป็นส้อยมัทะคือความเมาทั้งสามอันได้แก่ความเมาในวัยหรือในความเป็นหนุ่มสาวความเมาในความไม่มีโรคความเมาในชีวิตทำให้ใครๆรู้สึกเหมือนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสมุทยได้ส่งมัทะทั้งสามสหายแทรกซึมเข้าไปในจิตนครทำให้ชาวจิตนครพากันเมาใจ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 ก็คล้ายกับเมาเหล้านั่นแหละทำให้วิปลาสไปต่างๆวิปลาสไปอย่างไรคือทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่งามว่าเป็นสิ่งเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนงามความจำหมายคิดเห็นไปดังนี้เรียกว่าวิปลาสดังกล่าวเป็นสมุนของสมุทัทยที่ ถูกส่งทยอยเข้าไปในจิตตนครครั้นชาวจิตตนครพากันวิปลาดไปแล้วก็พากันกระชับโซ่ตรวนของสมุไทยที่ผูกอยู่ให้แน่นเข้าอีกเพราะเครื่องผูกเหล่านี้ปรากฏเหมือนอย่างสร้อยทองประดับเพชรหรือมรดกอันงดงามจึงสวมประดับคอประดับแขนข้อมือทั้งข้อเท้าเข้าทํานองคําว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัว อันที่จริงชาวจิตตนครได้สวมสอดเครื่องผูกต่างๆของสมุทรไทยนานมานักหนาแล้วเรียกได้ ว, ว่าความสมัครใจบางเวลาทำท่าจะสั่งเมาสั่งความวิปลาสจะเห็นว่าเป็นเครื่องผูกม่ใช่สร้อยทองอันงดงามสมุทรไทยก็เติมความเมาเข้าอีกทำให้วิปลาสต่อไปอีกอาการวิปลาสนี้เรียกง่ายๆว่าสติวิปลาสนั่นแหละ เป็นความบ้าชนิดที่ไม่รู้ตัวเองว่าบ้าและเป็นอย่างเดียวกันตลอดจิตนาคอนแต่เป็นอย่างละเอียดและลึกซึ้งไม่ใช่ชนิดบ้าอลาวาดอย่างที่บรรดาแพทย์ของบ้านเมืองทั่วไปเรียกว่าเป็นโรคจิตส่วนชาวจิตนาคอนไม่เรียกโรคเช่นนั้นว่าอย่างนั้นเรียกว่าเป็นโรคทางสมองตามสมุดฐานหวงแหนคำว่าจิต ไว้ใช้สําหรับจิตนครเท่านั้นก็น่าจะหวงแหนโรคจิตไว้เฉพาะจิตนครด้วยก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อเป็นจิตนครโรคที่เกิดขึ้นในจิตนครก็จะต้องเป็นโรคจิตไม่ใช่โรคทางกายทุกอย่างเว้นไว้แต่จะเป็นเหตุให้เกิดเป็นโรคจิตขึ้นแต่เรียกว่าเป็นเหตุเท่านั้นส่วนอาการไม่รู้ตัวเอง คิดว่าตัวเองเป็นคนดีไม่มีโรคเป็นอาการที่คล้ายคลึงกันนี่แหละคือจิตต่วิปลาสในจิตะนะรอาศัยที่พระพุทธศาสนาแผ่เข้าไปในจิตะนะรแล้วความเมาความวิปลาสอย่างแรงในจิตะนะรจึงลดลงตามกําลังของฝ่ายคู่บรารมีผู้นำพระพุทธศาสนาเข้าไป พักพวกของคู่บารมีได้อย่างรากฐานลึกลงเรื่อยๆเป็นต้นว่าศีลหิริโอต ป, ปะตลอดถึงสมาธินิมิตต่างๆและโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้นครสามีได้พบความสุขสงบทางใจเกิดความรู้ผุดขึ้นนำให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตแต่ม่านศาสนาหรือศาสนาของสมุทไทย ซึ่งเป็นคู่ปรับกันอย่างแรงและสมุทัยรู้วิธีรักษาและแผลศาสนาคลายแม่ทัพผู้ฉลาดใช้ยุทธวิธีที่แยบยนต์ทุกคนมีศัตรูเป็นแม่ทัพผู้ฉลาดในการใช้ยุทธวิธีที่แยบยนต์ดังนั้นแม้ไม่ประสงค์จะเป็นผู้ผ่ายแพ้แก่ศัตรูคือมารหรือสมุทยัยทุกคนก็ต้องอบรมสติอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพื่อจะได้สามารถเอาชนะศัตรูได้มีใจถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระอย่างแน่วแน่มั่นคงจนได้พบความสุขสงบทางใจที่จะไม่ได้พบเลยแม้พ่ายแพ้แกศัตรูคือสมุทยสังโยชนิสจะกล่าวถึงเครื่องผูกของสมุทยที่ล่อผูกใจชาวจิตนครมานานนักแล้วแต่ผูกไว้อย่างลึกซึ้ง ชาจิตลนครเองก็ไม่รู้ว่าได้ถูกผูกไว้พระบรมครูเท่านั้นได้สงทราบและได้ตรัสบอกแก่คู่บารมีว่ามีอยู่ส0บเรียกว่าสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกใจสัตว์คือ 1. สกาญธิทิฐิความเห็นเป็นเหตุถืออัตตาตัวตนในสกลกาย 2. วิจิกิจฉาความลังเล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 รูปราคะความติดอยู่ในรูปธรรมเช่นชอบใจในบุคคลบางคนหรือในรูปฌานเจ็ดอรูปราคะความติดอยู่ในอรูปรธรรมเช่นในสุขเวทนาหรือในอรูป 8. มานะความสำคัญว่ายังมีเรา 9. อุทจฉาความคิดพลาน 10. อวิชชา ความไม่รู้ในสัจจะทั้งหลายสังโยชน์เหล่านี้สมุทัยมอบให้อยู่ในสังกัดของคู่อสวาโดยตรงทั้งเป็นสหายสนิทของคู่อสวาตั้งแต่ 1-5 ถึงเป็นพวกขั้นต่ำคือหยาบเรียกว่าโอรัมพาคิยะแปลว่าส่วนล่างตั้งแต่6 1ถึงเป็นพวกชั้นสูงคือละเอียดเรียกว่า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 ถึงตาทิพย์ของเทพก็มองไม่เห็นเพราะบรมครูทรงเห็นด้วยพุทธจักสุหรือปัญญาจักสุแล้วทรงแสดงเปิดเผยแก่เวนายนิกรคือหมู่แห่งเทพและมนุษย์ที่พึงแนะนำได้เป็นที่กระทบกระเทือนสมุทัยเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่อาจจะปกปิดซ่อนเร้นเครื่องผูกอย่างละเอียดนี้ต่อไปได้ทั้งพระบรมครูยังได้ทรงสอนวิธีตัดเครื่องผูกเหล่านี้ให้ขาดได้จริงๆ อย่างเป็นปฏิหารใครที่ตัดได้จะพ้นจากอำนาจสมุทรไทยไปโดยลำดับเมื่อตัดได้หมดก็พ้นได้สิ้นเชิงแต่ก็อย่าพึ่งดีใจว่าจะตัดได้ง่ายนักเร็วนักเพราะสมุทรไทยยังมีกลวิธีอีกหลายอย่างนักที่จะรักษาอำนาจของตนเช่นวิธีทำให้วนเวียนวิธีทำให้เนื่นช้าวิธีแบ่งเขตยึดครอง วิธีแทรกซึมบ่อนทำลายจนถึงวิธีโจมตีอย่างเปิดเผยคล้ายๆการก่อสงครามกลางเมืองขึ้นหรือชักจูงกองทัพต่างด้าวเข้าเมืองฉะนั้นสมุทรไทยจึงชื่อว่าจะรักษาอำนาจของตนไว้ได้อีกนานภัยธรรมชาติจะมาถึงจิตนครทำลายเมืองทั้งสิ้นเสียก่อนที่สมุทรไทยจะสิ้นอำนาจสมุทรไทยน่าจะต้องช่วยสร้างเมืองให้ใหม่เสียอีกดังนั้น สมุทัยจึงน่ากลัวนักมีอันตรายร้ายแรงนักไม่ควรที่จะนอนใจปล่อยให้สมุทัยดำเนินงานแทรกซึมบ่นทำลายโดยไม่พยายามต้านทานเสียเลยการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายสมุทัยแบบถอนรากถอนโคนเท่านั้นที่จะช่วยให้รู้ทางรู้วิธีต่อต้านสมุทยัยและการปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งสอนที่ได้ศึกษาเท่านั้น ที่จะช่วยให้อาจเอาชนะสมุ ท, ไทยได้ได้มีความสุขเสรีพ้นจากเครื่องผูกทั้งปวงตามควรแก่ความปฏิบัติ